กุชะปุพพิยาวัคหมวดว่าด้วยพระกุชะปุพพิยะเป็นต้น 1. กุชะปุพพิยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระกุชะปุพพิยะเทระพระกุชะปุพพิยะเท ร, ร ะ, ะ, ะ เ, ทรเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองคำดังดวงอาทิตย์อุทยัยทรงเหลียวดูทิศ เสด็จเหาะไปในอากาศเขาพระเจ้าเห็นดอกโมกมันบานสะพรั่งทั้งดอกใหญ่และดอกเล็กจึงเก็บมาจากต้นแล้วบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าผุษาเนกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพรเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนกลับที่สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสามชาติพระนามว่าสุปุพิตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุชะปุพิยะเทระ ได้พาสิทคถาเหล่านี้ด้วยประการศนิกฎชาปุพิยะเถราประทานที่หนึ่งจบสองพันธุชีวกะเถราประทานประวัติในดิตชาติของพระพันธุชีวกะเถระพระพันธุชีวกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิธชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าโสพิตะผู้ซึ่งสุรุษสรรเสริญแล้ว พระองค์ประทับนั่งเข้าสมาธิอยู่ในระหว่างภูเขาเข้าไเจ้าสแสวงหาดอกบัวงามในสะธรรมชาติแต่ได้เห็นดอกฉบาในที่ใกล้เข้าพปเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีใช้มือทั้งสองประคองแล้วเข้าเฝ้าพระมหามุนีแล้วบูชาพระโสพภิตาพุทธเจ้าเนี้กลับที่เก้าสบสี่นับจากกลับนี้ไปเข้าพปเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปิเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่ส4บสี่นับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากพรพัฒ์องค์หนึ่งมีพระนามว่าสมุท t h กลับปะผู้เป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8และอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าได้ทำให้สำเร็จแล้ว ดังนี้แล่ได้ทราบว่าท่านพระพันทุชิวะกะเทระได้พาสฎคาถาเหล่านี้ด้ประการาชนิพันธุชีวะกะเทระประธานที่สองจบสโกตุมะพริยะเทระประธานประวัติในดิตชาติของพระโกตุมะพริยะเทระพระโกตุมะพริยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้รุ่งเรืองดังดอกกันนิชามีพระคุณหาประมาณไม่ได้ดุจทะเลแผ่กว้างดังแผ่นดินประทับนั่งอยู่ในระหว่างภูเขาอันหมู่เทวดาบูชาแล้วดุจมาอาชาในตัวองค์อาดผู้สูงสุ่แห่งนรชนเาพเจ้ามีจิตร่าเริงเบิกบานจึงเข้าเฝ้าพระองค์เาพเจ้าได้ประคองดอกไม้และผ้าผลสัตว์เนื้อดี บูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่ยี่สิบนับจากกลับนี้ไปข้าพุทเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหาเนละมีเดชมากมีพราณาุภาพมาก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 ปัญจหัตถยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระปัญจหัตถยะเทระพระปัญจหัตถยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงอ ง, งาอาจกว่านรชนมีหมู่สาวกห้อมล้อมเสด็จดำเนินไปตามถนนข้าพเจ้าเป็นบุตรประสงค์จะถวายเครื่องบูชาเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ จึงวางดอกอุบลห้าก ร, รัมและสี่ก ร, รัมไว้ที่ใกล้เท้าเขาพระเจ้าสัมผัสพระพุทธรัศมีแล้วจึงบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์มีพระชวีวันดังทองคํากำลังเสด็จดำเนินอยู่ในระหว่างร้านตลาดเนี่ยกลับที่9กสบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเี่กลับที่สิบสานับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าชาติพระนามว่าสุรพระสัมมตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็บประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพทาสี่วิโมกแปและอภิน ญ, ญาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระปัญจหัตถยาเทระได้พาสกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ปัญจหัตถยาเทราประธานที่สี่จบหอิสิมุขะทายกะเทราประธานประวัติในดิชาติของพระอิสิมุขะทายกะเทระพระอิสิมุขะทายกกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคพระนามว่าปทุมตระผู้ทรงเป็นผู้นำมีพระรัศมีรุ่งเรืองดุจ ด, ดวงอาทิตย์อุทยัยดุจ ด, ดวงจันดุจต้นรกฟ้าที่งดงามข้าพเจ้าแม้ยืนอยู่ในปราสาท์ก็นิมนต์พระฤาษีผู้ยิ่งใหญ่แล้วได้ถวายรวงพึ่งเล็กที่ไม่มีตัวอ่อนแด่พระองค์ผู้เป็นเผ่าพันผงโลก ข้าพเจ้าได้ถวายน้ำผึ้งจนเต็มบาสา ว, วกของพระพุทธเจ้าประมาณแปดแสนรูปหรือมากกว่านั้นด้วยจิต ท, ที่เลื่อมใสนั้นข้าพเจ้าถูกกุศลโมลตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดในทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกลับในกลับที่สี่หมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสามสิบปดชาติมีพระนามว่าไมหิสมันตะมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมโกข์แปดและอภินญาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอิสิมุขทายกะเทระได้พาสิทธิคาถาเหล่านี้ด้วยประคาราชนิอิสิมุขะทายกะเทราประทานที่ห้าจบหก โพธิอุปทายกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระโพธิอุปทายกะเทระพระโพธิอุปทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉ่าของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนตีตะโพนอยู่ในกรุงรามวดีจึงไปยังต้นโพธิประเสด็จประกอบทำการมบำรุงเป็นนิจข้าพเจ้าบำรุงทั้งเวลาเย็นและเวลาเช้า ถูกกุศลมล์ตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดในทุกขติเลยตลอดหนึ่งรสิบกัปในกัปที่หนึ่งรสิบห้านับจากกัปนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าธรรมะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระโพธิอุปทายกะเทระได้พาสุคถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้โพธิอุปทายกะเทราประทานที่หกจบ7เอคาชินติกะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเอคาชินติกะเทระ พระเอกรจจินเถระเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชชาติของตนจึงกล่าวว่าในการใดเทวดาจะจุติจากหมู่เทวดาเพราะสิ้นอายุในการนั้นเทวดาผู้พลอยยินดีย่อมเปล่งเสียงสามประการว่าท่านผู้เจริญท่านจากที่นี้จงไปสู่สุคติอยู่ร่วมกับมนุษย์เป็นมนุษย์แล้วจงได้ศรัทธาที่ยอดเยี่ยมในพระศธรรม ศรัทธาของท่านผู้ตั้งมั่นเป็นศรัทธาที่อย่างรากลงลึกดำรงมั่นไม่คลอนแคลนในพระสัทธรรมที่พระอริยะประกาศ ด, ดีแล้วจนตลอดชีวิตท่านจงทำกุศลที่ไม่เบียดเบียนไม่มีอุปธิทางกายทางวาจาทางใจให้มากเถิดแต่นั้นท่านสั่งสมบุญแล้วจงทำบุญนั้นให้มากด้วยการให้ทานจงแนะนำแม้จัดเต่าเอินให้ตั้งอยู่ในพรหมจรรย์ในพระสัทธรรมเถิด ด้วยความอนุเคราะนี้ในการใดเราเทวดาผู้รู้จึงพลอยยินดีกับเทวดาผู้ซึ่งกำลังจุติว่านี่แน่เทวะขอท่านจงมาบ่อยๆนะในการนั้นเมื่อหมู่เทวดามาประชุมกันข้าพเจ้าเกิดความสลดใจว่าข้าพเจ้าจุติจากที่นี้แล้วจากไปสู่กำเนิดอะไรหนาท่านสมณะผู้อบรมอินทรีย์แล้วรู้ความสลดใจของข้าพเจ้า พระสงค์จะช่วยหรือข้าพเจ้าจึงมายังสำนักของข้าพเจ้าท่านมีนามว่าสุมาณะเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตตะพร่ำสอนอธรรมให้ข้าพเจ้าสลดใจในครั้งนั้นข้าพเจ้าได้ฟังคําของท่านแล้วทําจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าได้ถวายอภิวาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วได้สิ้นชีวิตลงณที่นั้น ข้าพเจ้านั้นถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วได้อุบัติในเทวโลกนั่นเองไม่เปิดเกิดในทุกติเลยตลอดหนึ่งแสนกัปคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภิญยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระเอคจินเถระเทระ ได้พาสิบคถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้เอคาจินตกะเทราประทานที่เจ็ดจบ8ปดตียกันนิปุพิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระเตียกันนิปุพิยะเทระพระเตียกันนิปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นเทวดามีเหล่านางเทพอักษรห้อมล้อม เราลึกถึงบูพกรรมแล้วจึงหวนเราลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดข้าพเจ้าทำจิต ข, ของตนให้เลื่อมใสได้ประคองอดอกอันชันสามดอกบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้อง์อาจกว่านรชนเนกลับที่เกอนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า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 ท่านพระติกรณ์นนปุพยะเถระได้พาสิทถาเหล่านี้ด้วยประการศนิติกรณิปุพยะเถราประธานที่แปดจบเก้าเอขจาริยะเถราประธานประวัติในดิตชาติของพระเอขจาริยะเถระพระเอขจาริยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้น ได้มีเสียงประกาศตึกกล้องในหมู่เทวดาชั้นดาวดึงว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพานในโลกแต่พวกเรายังมีราคะอยู่บรรดาเทวดาผู้เกิดความสังเวชผู้มากไปด้วยความเศร้าโศกเหล่านั้นข้า พ, พเจ้าถูกกำลังของตนอุปถัมภ์แล้วได้ไปในสำนักของพระพุทธเจ้าข้า พ, พเจ้าถือดอกมณฑารพที่เนรมิต รวบรวมไว้ไป บ, บูชาพระพุทธเจ้าในเวลาใกล้จะปรินิพานครั้งนั้นเทวดาและนางเทพอักษรทั้งปวงอนุโมทนาต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าจึงไม่เปเกิดในทุกปฏิเลยตลอดหนึ่งแสนกลับในกลับที่หกหมื่นนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิสหชาติพระนามว่ามหามรละชนะมีพลานุภาพมาก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 ปิวันติปุพิยะเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระติวันติปุพิยะเทระพระติวันติปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพว้ข้าพเจ้าทุกคนนั้นมาประชุมกันเพ่งโทษพระเทระชื่อว่าอภิภูความเร่าร้อนได้เกิดขึ้นแก่ผู้ข้าพเจ้าผู้เพ่งโทษครั้งนั้นพระเทระมีนามว่าสุนันทะ เป็นสาวกของพระมุนีพุทธเจ้าพระนามว่าธรรมทัสสีมาในสำนักของข้าพเจ้าครั้งนั้นชนทั้งหลายที่เป็นคนรับใช้ของข้าพเจ้าได้ให้ดอกไม้แกข่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้ถือดอกไม้นั้นไปบูชาสาวกข้าพเจ้าที่สิ้นชีวิตลงณที่นั้นแล้วก็กลับมาเกิดอีกไม่ตกวินิบาตนรกเลยตลอดหนึ่งร้อยสิบปดกลับเน่กลับที่หนึ่งร้ยสิบสามนับจากกลับนี้ไป ได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิแปดชาติพระนามว่าทูมักเอตุสมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำเนี่ยแจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติวันติปุพิยะเถระ ได้พาสิษษษษษาทธิคถาเหล่านี้ด้วยประการชนิติวันติปุพิยะเทราประทานที่สิบจบกุชะปุพิยะวัคที่สิบเก้าจบบริบูรณ์ร่วมปทานที่มีนิวัคนี้คือหนึ่งกุชะปุพิยะเทราประทานสองพันธุชีวกะเทราประทานสโกตุ ม, มะภริยะเทราประทาน สปัญจหัตถิยะเทราประทานหอิจิมุขทายกะเทราประทานหโพธิอุปถายกะเทราประทานเจเอกจินทกะเทราประทาน8ปดเดียันนิอุพิยะเทราประทาน 9. เอกจริยะเทราประทานสิบิวันติปุพิยะเทราประทานท่านประกาศคถาไว้หกสิสองคถา ตมละลาปุพิยวัคหมวดว่าด้วยพระตมละลาปุพิยะเป็นต้นหนึ่งตมละลาปุพิยะเทราประทานประวัติในดิจชาตของพระตมละลาปุพิยะเทระพระตมละลาปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจฉาของตนจึงกล่าวว่าวิมานของข้าพเจ้ามีเสาทองคํา8ดหมืสี่พันต้นเปรียบได้กับไม้เท้าเทวดา บุญกรรมเนรมิตไว้ดีแล้วเขาพระเจ้ามีใจผ่องใสได้ประคองดอกคูณบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิกขีผู้เป็นเผ่าพันธ์ของโลกเนี่ยกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับที่ยี่สิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่า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 ตามาลปุพิยะเทราประธานที่หนึ่งจบสติณสันทาระทายกะเทราประธานประวัติในดิตชาติของพระติณสันทาระทายกะเทระพระติณสันทาระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าในการที่กบเจ้าเป็นเรืสีอยู่ในป่าเกี่ยวหญ้าถวายพระศาสดา หญ้าทั้งหมดนั้นเวียนไปทางขวาแล้วตกลงที่แผ่นดินครั้งนั้นเขาไปเจ้าถือหญ้านั้นมาล่าที่เนินดินและนำใบตานมาสามใบมาทำเป็นหลังคาบนไม้สามอันได้ถวายพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิท ธ, ธัตถะเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในที่นั้นถือทรงไว้เพื่อพระาศาสดาตลอดเจ็ดวันเนกับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ถวายญาไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายญาเน่ยกลับที่หกสิห้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักพรพรรดิสี่ชาติพระนามว่ามหัธนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมก8ปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติเนสันธาระทายกะเทระได้พาสกขถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ตินสันธาระทายกะเทราประธานที่สองจบสาขันธพุทลยะเทราประธานประวัติในดิจฉ่าของพระขันธพุรลยะเทระ พขันธผุดลิยะเทระเมื่อประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าพระสถูปของพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าพุทสะได้มีอยู่ในป่ามหาวันในครั้งนั้นต้นไม้ก็อ ง, งอกขึ้นโขลงช้างพากันมาหากรานพระพเจ้าทำที่ครุขระให้ราบเรียบแล้วได้ใส่ก้อนปูนขาวยินดีด้วยคุณของพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นผู้เป็นที่เคารพของโลกทั้งสาม ในกลับที่เ1้าสบสองนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทำกรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการใส่ก้อนปูนขาวในกลับที่เจ็ดสิบเจดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจาั ก, กรพรรดิสิบหชาติพระนามว่าทิตะเสนะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์ป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 ประวัติในดิจฉาของพระอโศกปูชกะเทระพระอโศกปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นได้มีพระราชอุทยานอยู่ในนครติปุระน่ารื่นรมเข้าพเจ้าเป็นคนรักษาพระราชอุทยานอยู่ในนครนั้นเป็นคนรับใช้ของพระราชาได้มีพระสยามภูพุทธเจ้าผู้มีพระราษมีพระนามว่าปทุมะ พระชายาไม่ละพระองค์ผู้เป็นมุนีผู้ประทับนั่งอยู่บนดอกบัวขาวข้าพุทเจ้าเห็นต้นอโศกมีดอกบานเป็นพวงน่าดูนักจึงบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมมตระผู้ประเสริฐเนี่ยกลับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพุทเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนี่ยกลับที่เจ็ดสิบ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 พระอโศกปูชกะเทระได้พาเสือคาถาเหล่านี้ด้วยประกาศฉนิอโศกปูชกะเทราประทานที่สี่จบหอังโกละกะเทราประทานประวัติในดิตชาตขอ ง, รองะะรพระอังโกลกะเทระพระอังโกลกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นต้นป ร, รูมีดอกบานสะพรั่ง มีดอกสวยงามเป็นพวงจึงได้เก็บ ด, ดอกไม้นั้นไปยังสำนักของพระพุทธเจ้าสมัยนั้นพระมหาหมุนีพระนามว่าสิท ธ, ธะทรงหลีกเร้นอยู่ข้าพเจ้าจึงรอคอยชั่วครู่หนึ่งแล้วโปรยดอกไม้ลงในถ้ำเนี้ยกลับเพื่อก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า เนื้อกับที่ส6นับแต่พัทระกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าเทวคติตะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่า ท่นพระอังโกละกะเทระได้พาศุคถาเหล่านี้ด้วยประการาชนีอังโกละกะเทราประธานที่ห้าจบ6กขีสารยะปูชกะเทราประานประวัติในดิชิติาของพระกีสารยะปูชกะเทระพระกีสารยะปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิชิติาของตนจึงกล่าวว่า สวนดอกไม้ของข้าพเจ้าได้มีอยู่ในกรุงทวารวดีในสวนดอกไม้นั่นเองมีบ่อน้ําและต้นไม้ขึ้นงอกงามพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิทธ ะ, ทะผู้กล้าแข็งด้วยกําลังของพระองค์ไม่ทรงพ่ายแพ้พระองค์เมื่อจะทรงอนุเคราะห์ข้าพเจ้าจึงเสด็จไปในอากาศข้าพเจ้าไม่เห็นอะไรอะไรอื่นที่ควรจะบูชาพระองค์ผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ เห็นแต่ใบอ่อนของต้นอโศกจึงจับโยนขึ้นไปบนอากาศใบอ่อนเหล่านั้นตามไปเบื้องพระปริดาดังของพระพุทธเจ้าซึ่งกําลังเสด็จไปพระพเจ้าเห็นดังนั้นแล้วจึงเตือนเต้นว่าช่างน่าอัศจ ร, ร์ความโอฬานของพระพุทธเจ้าเนี่ยขับที่ยงเก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปพระพเจ้าได้ใช้ใบไม้อ่อนบูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื่อลับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากลกับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักพรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าเฮกิสระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทาสาเร็จแล้ว ดังนี้แหลได้จราบว่าท่านพระกิจละยะปูชกะเทระได้พาสิกข า, าเหล่านี้ด้วยประการาชนีกิจละยะปูชกะเทราประทานที่หกจบ7จ็ดติณทุกกะทายกะเทราประทานประวัติในดิจฉ่าของพระตินะทุกกะทายกะเทระพระตินทุกกะทายกะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นลิงมีคำาังแข็งแรงเที่ยวไปตามซอกภูเขาและลำธารได้เห็นต้นมะพร้าวออกผลจึงหวนระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐที่สุดข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีออกค้นหาพระพุทธเจ้าพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกทรงถึงที่สุดพบทั้งสามตลอดสองถึงสามวัน พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยมในโลกทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงเสด็จมายังสำนักของข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระขีนาสบหลายพันรูปข้าพเจ้าเกิดความปราโมทแล้วถือผลไม้เข้าไปถวายพระผู้มีพระภาคผู้สัพพั์สธิ์อยู่ประเสริฐกว่าเจ้ารัติทั้งหลายทรงรับไว้แล้วนล่มับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายผลไม้ไว้ในครั้งนั้น จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการถวายผลไม้ในกลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าอุปนันทะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภิญยาหกพระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ า, าพระพุทเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติณทุกะทายกะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการชนีติณทุกะทายกะเทราประธานที่เจดจบ 8. ปดคิริเนลโมติปูชกะเทราประธานประวัติในดิจจ่าของพระคิริ เนรมุธิปูชกะเทระพระคีริเนลมุติปูชกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดดตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคินเจ้าพระนามว่าสุเมทะผู้เจริญที่สุดในโลกทรงอ ง, ง์อาจกว่านรชนทรง ต, งตั้งความเพียรเพื่อทรงอนุเคราะห์หมู่ชนผู้เกิดในภายหลังเขาพระเจ้าจึงใช้ดอกอัญชันเขียวกมมือหนึ่ง บูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่ซึ่งกำลังเสด็จจงกรมอยู่ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นเขาพระเจ้าถูกกุศลโมูนตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดในทุกติเลยตลอดสามหมื่นกับในกับที่หนึ่งยี่สิบสานับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสุเนละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจประการมีพานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปและอภิญญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระคิริเนลโมติปูชกะเทระได้พาสุดคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้คิริเนลโมติปูชกะเทราประทานที่8จบ เติกันธิปุพิยะเถราประทานประวัติในดิตชาของพระติกันธิปุพยิยเถระพระติกรันธิปุพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีประพาผู้เสียมภูชินเจ้าผู้มีทรงพ่ายแพ้พระนามว่าสุมังคละเสด็จออกจากป่าใหญ่เข้าไปยังนคร พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นมุนีพระองค์นั้นสเสด็จเที่ยวบินธบารแล้วสเสด็จออกจากนครทรงทรมพัตตคิจเสร็จแล้วประทับอยู่ในราบารข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีได้ประคองดอกคลาสามดอกบูชาพระพุทธเจ้าผู้เป็นสยามภูผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ในขกลับที่94้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้ จึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่86นับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิมีพระนามว่าอาปะเสลาสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมก8แปและอภินยาหกพระพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระติกรธิปุพยเถระได้พาสิกถาเหล่านี้ด้วยประการชนิติกรธิปุพยเถราประธานที่เก้าจบสิยูติกะปุพยเถราประธานประวัติในเดตชาตของพระยูติกะปุพยเถระพระยูติกะปุพยเถระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิชาตชาของตนจึงกล่าวว่าพระจินเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้ควรรับเครื่องบูชาทรงมีจักสุเสด็จออกจากป่าใหญ่ดำเนินไปยังวิหารข้าพเจ้าใช้มือทั้งสองประคองดอกคัดเทาชั้นดีบูชาพระพุทธเจ้าผู้มีพระหัไทยประกอบด้วยเมตตาผู้คงที่ด้วยจิตที่เลื่อมใสนั้นข้าพเจ้าเสวยสมบัติแล้ว ไม่ปริกในทุกปติเลยตลอดหนึ่งแสนขับเนี่กขับที่ห้าสิบนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าสมิตนันทนะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิทาสี่วิโมกแปดและอภินยาหกข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็าได้ทาสาเร็จแล้วดังนี้แหล ได้ทราบว่าท่านพระยูทิกะปุพพิยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้ยูทิกะปุพพิยะเทราประทานที่สิบจบตมะละปุพพิยะวรคที่ยี่สิบจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีนิวรัก์นี้คือหนึ่งตมะละปุพพิยะเทราประทานสองติณสันทาราทายกะเทราประทาน สขันธ์ภูริยะเทราประทานสีอโศกปูชกะเทราประทานหอังโกละกะเทราประทาน 6. กกิจละยะปูชกะเทราประทาน7ติเนทุกะทายกะเทราประทาน 8. คิริเนลามุติปูชกะเทราประทาน 9. เด็กกันทิปุพิยะเทราประทาน ยูทิกะปุพยะเทราประทานและมีขาถาห้าสิบแปดขาถาอันหนึ่งรวมวักได้สิบวักคือหนึ่งพิขาทายิวักสองมหาปริวาระวักสามเสริยวักสี่โซพิตาวักห้าชาตาวักหกพันธุชีวกะวักเจ็ดสุปาริจริยวัก แปกุมุทวัคเกปุกชะปุพิยวัคสิบตามาระปุพิยาวัคท่านทำไว้ในสิบวัคนี้มีคาถาหกร้อยหกสิบหกคาถาหมวดสิบแห่งวัคมีพิขาทายุวัคเป็นต้นจบหนึ่งร้อยเรื่องหมวดที่สองจบบริบูรณ์ กานิการะปุพพิเอวัคหมวดว่าด้วยพระกณนิการะปุพพิยะเป็นต้นหนึ่งกณนิการะปุพพิยเถราประธานประวัติในดิตชาตของพระกณนิการะปุพพิยะเถระพระกณนิการะปุพพิยะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นต้นกณนิการมีดอกบานสะพรั่ง จึงเกบมาบูชาพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าติสสะผู้ข้ามโอคะได้แล้วผู้คงที่เนกับที่เก้าบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนียกขับที่ส5สิบหนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิปรากฏพระนามว่าอารุณปาละ สมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทาสี่วิโมกแปดและอภิน ญ, ญาหกเาพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่าท่านพระปณิการะปุพยะเทระได้พาศึกษาเหล่านี้ด้วยประการชนนี้ พรนิการะปุพยะเทราประธานที่หนึ่งจบ 2. องนิเนลปุพยะเทราประธานประวัติในดิตชาตของพระมิเนลปุพยะเทระพระมิเนละปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าสิกขีมีพระชวีวันดังทองคามีพระรัศมีเฉิดฉายดังดวงอาทิตย์ มีพระไทยประขอบด้วยเมตตามีพระสติสเสด็จขึ้นที่จงกรมเขาพระเจ้ามีจิตเลื่อมใสมีใจยินดีชมเชยพระยานที่ล้ำเลิศแล้วจึงได้ประคองดอกเทียนขาวบูชาพระพุทธเจ้าในกลับที่สามสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้า เนี่กลับที่ยี่สิบเก้านับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิมีพระนามว่าส um ุเมคะณะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เคลปฏิสัมพิทาสีวิโมกษ์แปดและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แหลได้ทราบว่า ท่านพระมิเนละปุพยะเทระได้พาศึิษฐานเหล่านี้ด้วยประการาชนิมิเนละปุพยะเทราประธานที่สองจบสกิงปณิกะปุพยะเทราประธานประวัติในเดตชาติของพระกิงปณิกะปุพยะเทระพระกิงปณิกะปุพยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในเดตชาติของตนจึงกล่าวว่า พระผู้มีพระภาคผู้สักดิสธิ์อยู่ทรงเป็นผู้นำสัตว์โลกผู้เช่นกับทองคํามีค่าทรงร้อนพระวรกายจึงจเสด็จลงน้ำสงสนานอยู่พระพเจ้ามีจิตเบิก บ, บานมีใจยินดีจึงได้ประคองดอกกระดิ่งทองบูชาพระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ผู้คงที่เนี่อข่ที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไป ข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุกปฏิเลยนี่เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่ยี่สิเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพัฒพระนามว่าพีมรดสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลรานุภาพมากคุณวิเศษเหล่านี้เพอปฏิสัมพิธาสี่วิโมก8แปและพิญญาหกข้าพเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้ว คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกิงกณนิกะปุพยะเทระได้พาสกขาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้กิงกณนิกะปุพยะเทราประธานที่สามจบสตรานิยะเทราประธานประวัติในดิชชาติของพระตรานิยะเทระพระตรานิยะเทระ เมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาติของตนจึงกล่าวว่าก็พระผู้มีพระภาค พ, พระนามว่าอัฏฐัต ส, สีผู้เป็นจอมแห่งเทวดาและมนุษย์ทรงองค์อากว่านรชนมีหมู่พระสา ว, วกแวดล้อมเสด็จไปยังฝั่งแม่น้ำคงคาแม่น้ำคงคามีน้ำเต็มเตยมเสมอขอบฝั่งกาดื่มกินได้ข้ามได้ยากข้าพเจ้าพาพระพุทธเจ้าผู้สูงสุดแห่งเทวดาและมนุษย์ และหมู่ภิกษุทรงข้ามเนกับที่118นับจากกับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ทํากรรมไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการพาพระพุทธเจ้าทรงข้ามแม่น้ําเนกับที่113นับจากกับนี้ไปนี่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิห้าชาติพระนามว่าสัโพโพภวะสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการมีพลานุภาพมาก ในพบสุดท้ายเขาระเจ้าเกิดในตระกูลพรามได้ออกบวชในศาสนาของพระศาสดาพร้อมกับสหายสามคนคุณวิเศษเหล่านี้เือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกษ์แปและอภิญญาหกเขาระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่าท่านพระตรันิยเทระได้พาสกขคาถาเหล่านี้ ด้วยประการศนี้ตารณิยเทราประทานที่สี่จบห้านิคุนติปุพิยะเทราประทานประวัติในดิตชาตของพระนิคุนติปุพิยะเทระพระนิคุนติปุพิยะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาตของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเป็นคนวัดได้ประคองดอกย่านสาย บูชาพระผู้มีพระภาค พ, พุทธเจ้าพระนามว่าวิปสัสสีเนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จกักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่สามสิบห้านับจากกลับนี้ไปเขาพระเจ้าได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิองค์หนึ่งมีพระนามว่ามหาปตาปะเป็นใหญ่ในหมู่ชนมีพลานุภาพมาก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 อุทกะทายกะเทราประธานประวัติในดิจฉาของพระอุทกะทายกะเทระพระอุทกะทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิจชาของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคผู้สงบทผ่องใสไม่ขุ่นมัวเสวยอยู่จึงได้ใช้หม้อตักน้ําถวายแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธะัะวันนี้ข้าพเจ้าเป็นผู้ไม่เศร้ามอง ราชจากมนทินซึ่งความสงสัยผลย่อมเกิดแก่ข้าพเจ้าในภพที่เกิดอยู่เนื้อกลับที่เก้าสบสนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายน้ําไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายน้ําเนื้อกลับที่หกิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าวิมละสมบูรณ์ด้วยรัตนเจ็ดประการมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกขแปและอภิญญาหกเขาพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพเจ้าก็ได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอุตกะทายกะเทระได้พาสุขคาเหล่านี้ด้วยประการาชนิอุตกะทายกะเทราประธานที่หกจบเจ็ด สละมารียเถระประธานประวัติในดีิชาติของพระสละมาลียเถระพระสละมาลียเถระเรมื่อจะประกาศประวัติในดีิชาติของตนจึงกล่าวว่าพระพเจ้าได้เห็นพระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิท ธ, ธัตถะผู้เป็นสารถีฝึกนรชนชดช่วงดังดอกกัิกาประทับนั่งในระหว่างภูเขาทรงทำทิศทั้งปวงให้สว่างสวายอยู่ครั้งนั้น ข้าพเจ้าได้โกงธนูพาดลูกศรยิงดอกไม้ตัดขั้วแล้วนําไปบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อขับที่เก้าสิบสี่นับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อขับที่ห้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่าจุตินทระสมบูรณ์ด้วยรัตนเจตประการ มีพลานุภาพมากกุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกข์แปและอภินยาหกเขาพรเจ้าได้ทาให้แจ้งแล้วคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพรเจ้าได้ทําสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระสะละมารยเถระได้พาสกขคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉนี้สะละมารยเถราประธานที่เจดจบ แปโกรันทะปุพิยเทราประทานประวัติในดิตชาติของพระโกรันทะปุพิยเทระพระโกรันทะปุพิยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าได้เห็นรอยพระบาทซึ่งประดับด้วยเครื่องประดับเพอจกักที่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าวิปัสสีผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงเหยียบไว้จึงเดินตามรอยพระบาทไป ข้าพเจ้าได้เห็นต้นงอนไก่มีดอกบานจึงนำไปบูชาพร้อมทั้งรากมีจิบร่าเริงเบิกบานจึงได้ไหว้รอยพระบาทที่ล้ำเลิศเนื้อกลับที่เก้าสิบเอ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ใช้ดอกไม้บูชาไว้จึงไม่รู้จักทุคติเลยนี้เป็นผลอห่งการบูชาพระพุทธเจ้าเนื้อกลับที่ห้าสิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิองค์หนึ่งพระนามว่า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 โครันธปุพยเทราประธานที่แปดจบเก้ 9. อาทาระทายกะเทราประธานประวัติในอดีตชาติของพระอาทาระทายกะเทระพระอาทาระทายกะเทระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าถวายเชิงบาแตแด่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าสิขีผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของโลก ข้าพเจ้าได้ครองพื้นแผ่นดินนี้ไว้หมดทั้งสิน้นกิเลสทั้งหลายข้าพเจ้าก็เผาได้แล้วพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าทรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื้ขับที่ยี่สิบเจ็ดนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสีชาติพระนามว่าสมันตะวรณะมีพลานุภาพมาก คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แและอภิน ญ, ญาหกเขาพระเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็าได้ทําสําเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระอาทาระทายกะเทระได้พาสิทธคาถาเหล่านี้ด้วยประการศนี้อาทาระทายกะเทราประทานที่เกจก ปาปานิวาริยะเทราประธานประวัติในดิตฉาตของพระปาปานิวาริยเทระพระปาปานิวาริยเทระเมื่อจะประกาศประวัติในดิตชาติของตนจึงกล่าวว่าโอเค้าเจ้ามีจิตผ่องใสได้ถวายร่มคันหนึ่งแต่พระผู้มีพระภาคพระนามว่าติสสะผู้เป็นเทพยิ่งกว่าเทพผู้คงที่ข้าพเจ้ากั้นบาปแล้วสร้างกุศลให้ถึงพร้อมแล้ว เทวดาทั้งหลายก็ได้กั้นร่มไว้ในอากาศนี้เป็นผลแห่งบุพกรรมจิตดวงสุดท้ายของข้าพเจ้าย่อมแล่นไปพบทั้งปวงข้าพเจ้าก็ถอนได้แล้วข้าพเจ้าสรงร่างกายอันมีในภพสุดท้ายอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกกลับที่เก้าสิบสองนับจากกลับนี้ไปข้าพเจ้าได้ถวายร่มไว้ในครั้งนั้นจึงไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการถวายร่ม เีือกกลับที่เจ็ดสิบสองนับจากกลับนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจากาักรพรรดิแปดชาติมีพระนามว่ามหานิธานะทรงเป็นใหญ่ในหมู่ชนภูนวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวิโมกแปดและอภินยาหกเขาพระเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำส อ, สอนของพระพุทธเจ้าเขาพระเจ้าก็ได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แหละได้ทราบว่า ท่าพระปาปนิวาริยะเทระได้พาสิกขาเหล่านี้ด้วยประการศนิปาปนิวาริยเทราประทานที่สิบจบปณิการะปุพยวากที่ยี่สิบเอ็ดจบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีเนวักนี้คือหนึ่งปณิการะปุพยเทราประทานสองมิเนลปุพยะเทราประทาน สกิงกณิกะปุพยะเทราประทานสตระเนียเทราประทานหนิคุณทิปุพยะเทราประทาน 6. อุทกกะทายกเทราประทาน 7. สละมาริยะเทราประทาน 8. โกรันทปุพยะเทราประทาน 9. อาธาระทายกเทราประทานสิ ปาปนิวาริยะเถราประทานมีคาถา48คาถา